ศีลขันเขาถามว่าอริยะศีลขันที่ท่านพระโคโดมตรสัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอา น, นุนท่านพระอา น, นุ์ตอบว่ามานพพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะละถึงพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก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 คือภิกสุในพระธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลของพิกสุอย่างหนึ่งต่อจากนี้พึงขยายศีลทุกข้อให้พิสดารภิกสุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรชาวิชา เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกชั้นโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดิรชานวิชาอย่างนี้คือทำพิธีบ่นบานพิธีแก้บนร่ายมนขับผีตั้งศาลพระภูมิทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนพิธีบูงสวงพื้นที่พ่นน้ามนต์รดน้ำมนต์พิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอกยาถ่ายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องล่างยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ํายาแก้ปวดศีรษะน้ํามันหยอดหูน้ํามันหยอดตายานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าตัดหมอรักษาเด็กคุมรารเวสการให้สมุนไพรและยาการใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหาย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 มานพภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลมานพอริยาศีลขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาธานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้แต่ในพระธรรมวิไนนี้ยังมีกรณยียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยศีลขันธ์นี้อีกเขากล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ อริยศิลขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์เขาพระเจ้าไม่เคยเห็นอริยศิลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เห็นอริยศิลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในตนก็จะพอใจว่าเพียงแค่นี้พอแล้วเพียงแค่นี้สำเร็จแล้วเราได้บรรลุสามัญญคุณแล้วไม่มีกรณียกิจ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 อริยะสมาธิขันที่ท่านพระโคโดมตรัสสรรเสริญและสงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท์ท่านพระอานนท์ตอบว่ามานกภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสารวมในจกักขุนสี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอคุศุลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูละถึงดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสัรวมในมนินรี ซึ่งเมื่อมีสํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุสุลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสํารวมในมนินทรียีภิกษุผู้ประกอบด้วยความสํารวมอินทร์ีอันเป็นอริยะนี้ย่อมสวยสุขที่ไม่ระคณกับกิเลสในภายในมานพภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลมานพ ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังขารติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปสาวะการเดินการยืนการนั่ง การนอนการตื่นการพูดการนิ่งมานกภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลมานพภิกษุชื่อว่าผู้สันโดดเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดเข้าไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดใด ก็มีแต่ปีกเป็นภาระมานุภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แลภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศิลขันอริยอินซียาสังวร อ, อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้ง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 และวิจิกิจชา้าความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจช้าได้แล้วไม่มีวิจิกิจช้าในคุโรธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชา้าอุปมาณิวอนห้า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 ถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูพิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจำความเป็นทาตและทางไกลกันดานมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรหที่ตนละได้แล้ว เหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อพิกูุนั้นพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น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 อันเกิดจากวิเวจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุทุติยฌานยังมีอีกมานพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไป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 ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุ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 ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสมาธินี้อีกเขากล่าวว่าน่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏอริยสมาธิขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์เขาพระเจ้าไม่เคยเห็นอริยสมาธิขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระาศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระาศาสนานี้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 ไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพรทูนอัน ง, งดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรันดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลน้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพรทู น, นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่า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 กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาพูต ร, รูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะเข้าสุขและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในใกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ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 มีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉะ น, นั้นข้อนี้จะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 3. อิทธิวิทยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง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 ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ําก็ได้เดินบนน้ําโดยที่น้ําไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลําดวงจันร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ